จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตยอมรู้ชัดว่าความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 สังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้จักจมูกรู้ จ, กจัจกกลิ่นรู้จกักจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อ <pon> <ๆ Definitely. S 1> ันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย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 เมื่อ <progression. S 2> สติสัมโพชงมีอยู่ณภ า, ายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่ณภ า, า, า, า, ายในจิตของเราหรือเมื่อสติสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมะวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสัมโพชงมีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงมีอยู่นภายในจิตของเราหรือเมื่อวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึ่ง วิรยิยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิรยิยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปิติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปิติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่อปิติสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าปิติสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอันหนึ่งปิติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปิติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อป <lives> ัจสัตติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัจสัตติสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตของเรา หรือเมื่อปัสจัธิสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัสจัติสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอันหนึ่งปัสจัติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปัสสัทธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสาโพธชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่อสมาธิสามโพช <the> ิชงไม่มีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสามโพธิชงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอันหนึ่งสมาธิสามโพธิชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสามโพธิชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่ง เม sure, ื่ออุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่หนภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด